บุ๊ก <Book> 2ห้าเปีประเทศและภาษาจอนมาจากลอนดอนจอน n อลดลอนดอนอยู่ในประเทศอังกฤษ l อ n d o n a ัทรัวเดสเลียลบริต انيا เขาพูดภาษาอังกฤษวินชิโรนาอังกิลว d ลัวดามาเรียนมาจากมาดริดมา r รียเอียร์โนมาดริดส์มาดริดอยู่ในประเทศสเปนมาดอัทรวดสปนีย เธอพูดภาษาสเปน v i ญโรน n ส s ปนุ u v ล l o ดาปีเตอร์และมาธามาจากเบอร์ลินเบเทอริสอันมาร์ต์อิร์มาเบอร์ลินเบอร์ลินอยู่ในประเทศเยอรมันเบอร์ลินนอัตรวสวาซีย คุณทั้งสองพูดภาษาเยอรมันใช่ไหม Vius a b e r u n a i e t v a ลอนดอนเป็นเมืองหลวง l อ n d o n irgaus p i l s c t a s มาดริดและเบอร์ลินก็เป็นเมืองหลวงอ a d r i d irgaus p i l s c t a s เมืองหลวงใหญ่และเสียงดัง g a u s, ung ung <S p i l ē t a s i r l i e l a s u n t r o k š ņ a i n a s ประเทศฝรั่งเศสอยู่ในทวีปยุโรป Francie a t r o d a e s, ī ī <S e u r o p ā ประเทศอียิปต์อยู่ในทวีปแอฟริกา Egypte a t r o d a s ā f r i k ā ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในทวีปเอเชียญี่ปุ่นอัทรูดัสอาเซียประเทศแคนาดาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแคนาดาอัทรูดเซียในอเมริกาประเทศปานามาอยู่ในทวีปอเมริกากลางปานามาอัทรูดัสวิดัสอเมริกา